เต็มด้วยความทุกข์เพลอๆอ่อนแลเบิดออกอาบางทีถูกฆ่าฟันรันแทงกันก็มีต่างเยอะแยะ เ, เพราะไม่มีทางออกนี่แหละต่อนี้ก็คือการเมสุมิกขาจาราเวีรมณีต่างคนก็ต่างมีผอบมีครัวต่างมีศักมีสีสําหรับครอบครัวของเราตระกูลของเราเนี่ยอันนี้ให้เคารพซึ่งกันและกันอันนี้ข้อศีลข้อที่สามข้อที่สี่มุสาวาทาเวรมณีอย่าไปโกหกต้มตุน๋นคนอื่นของเขา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 ดูเป็นเวลาทั้งหปีวันนี้เป็นวันสูตรสำเร็จที่พระพุทธเจ้าได้ตัดสรู้ในวันนั้นจากนั้นมาเป็นวันได้ 2,555 อปีนับแต่พุทธเจ้าปรินิพานมาส5 5อปีแต่ว่าพุทธสยันตีปีนี้เป็นการฉลองใหญ่คือพระพุทธเจ้าได้ตัดสรูุนับแต่วันตัดสรู้นะเป็น 2,600 ปีพอดี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 พระพุทธเจ้าว่าเกิดมาจากความโง่คือตัวอวิชชาอาวิชชาปัจจญาสร้างฆ่ารานขอให้พวกเราทุกทุกท่านเกิดมาได้พระ พ, พุทธศาสนาให้ศึกษาจต่นี่พระธองค์เมื่อได้ตัดสรตวแล้วท่านก็นำทำคําสอนออกมาประกาศเผยแผ่ให้แก่พวกเราได้ฟังได้ศึกษาทีนี้มีมากมายเลยแปดหมื่นสพันพระธรรมมขันล้วนแล้วแต่พวกเราสมควรยิ่งจะต้องศึกษาต้องเรียนรู้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 ไปยุให้พระเจ้าอาชาติศัตรูฆ่าพ่อฆ่าพ่อตายแล้วก็นั่นแหละเข้าไปครองใจของพระเจ้าอ า, าชาติศัตรูจากนั้นพระเจ้าชัตรูกับธนุบำ ร, รุงพระเทวทตัตต้องการอะไรพระเทวทัตก็เป็นลูกพระเจ้าแผ่นดินเหมือนกันมึงวิเทหนะเน่ยจากนั้นก็พระเจ้าชาติตรูกัเป็นลูกของพระเจ้าแผ่นดินกรุงราชคือนะจากนั้นทั้งก็เป็นอันหนึ่งอันเดียวกั น, น, นต้องการอะไรจากนั้นก็วางแผน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 มันข้ามม้นก็วิ่งอย่างเร็วอีกเหมือนกันนะแต่มันถึงยังไงมันก็ช้าเพราะมันข้ามม้าทั้งตัวใะมันหนักีงในขณะที่กำลังจะข้ามกาแพงเน่ยนายขมังธนกับเหนียวลูกธนกใส่เข้าไปเลยอาบด้วยยาพิษทงนี่โต๊บใส่ราชสี่านั้นแหละโอ้ยวางม้าเลยไงร้องอ้ากเลยไ อ, อกระโดดข้ามกาแพงไปอย่างไม่คิดชีวิตชีวาพอไปถึง